สถานีวิดีโอครอบครัวข่าวสอตอร์เอฟเฟ้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูณ์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนายโศกเรามาพบกันตัางบูฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สิ่งที่เราจะนำมาพูดเสมอๆคือข้อมูลที่สำคัญตัางบูฟังที่จะสามารถช่วยจะรักษาจิตเราให้มันดีให้มันสูงขึ้นมาได้ นี่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นคำสอนที่จะรักษาจิตของผู้ที่ปฏิบัติตามไม่ให้มันไปในทางต่ำวิธีในการที่จะรักษาจิตนั้นก็คือใช้สติสติที่จะรักษาไม่ให้มันไปในทางต่ำวันนี้จะมีเรื่องที่เป็นตัวอย่างทำบุฟังที่เดูเหมือนจะทำความผิดทำความไม่ดีแต่ว่าถ้าจิตเนี่ยมีการรักษาอย่างดี ก็สามารถที่จะไม่ให้จิตนั้นไปในทางที่ไม่ดีได้พระบรมชาติเบรบเทียบเหมือนกับมือฝ่ามือของเราเนี่ยนะถ้าบอกว่ามันไม่ได้มีแผลเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไม่ได้จะไปหยิบจับของสุขโปรกหรือของที่มีพิษมีเชื้อโรคใดๆดเนี่ยถ้าฝ่ามือมันเรียบๆแต่ก็ไม่มีปัญหาเรามาฟังเรื่องของนายพรานชื่อกุกกุตมิตรนั่นก็เป็นนายพราน ที่ลาาเนื้อเรื่องปรรญายของเขาท่านมู้ฟังที่เป็นโสดาบันมาตั้งแต่เด็กละในความที่เป็นโซดาบันนี้ึก็มีเรื่องราวที่พิกษุทั้งหลายเขาพูดคุยกันในเรื่องนี้เรื่องของนายพราณชื่อกุกุตมิตรได้ยินว่าทิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชชุกฤเจริญไว้แล้วเพื่อประโยชน์แก่การรักษามารดาบิดา จึงมอบหญิงคนใช้ให้คนหนึ่งให้อยู่ในห้องบนประสาทเจ็ดชั้นในเวลาเย็นวันหนึ่งแลไปในระหว่างถนนทางหน้าต่างเห็นนายปราณคนหนึ่งชื่อกุกกุตมิตรผู้ถือบวก500และเหลาห้ารค่าเนื้อทั้งหลายเลี้ยงชีพค่าเนื้อห้าร้อตัวแล้วบรรทุกเกวียนใหญ่ให้เต็ม ไปด้วยเนื้อสัตว์เหล่านั้นนั่งบนแอกเวียนเข้าไปสู่พรนธ ก, กรเพื่อต้องการขายเนื้อเธอเป็นผู้มีจิตปฏิพัติในนายปราดนั้นให้บรรณาการในมือหญิงคนใช้ทรงไปด้วยคำว่าเจ้าจงไปจงให้บรรณาการแก่บุรุษนั้นรู้เวลาไปของเขาแล้วจงมา หญิงคนใช้ไปแล้วให้บรรณาการแก่นายพรานนั้นแล้วถามเขาว่าจะไปเมื่อไหร่นายพรานตอบว่าวันนี้เราขายเนื้อแล้วจะออกไปโดยประตูชื่อโน้นแต่เช้าเที่ยวหญิงคนใช้ฟังคําที่นายพรานนั้นบอกแล้วกลับมาบอกแก่ทิดาเศรษฐีนั้นธิดาเศรษฐีรวบรวมผ้าและอาภรณ หันควรแก่ความเป็นของที่ตนควรถือเอานุ่งผ้าเกา่าถือหม้อออกไปแต่เช้าตรู่เหมือนไปสู่ท่าน้ำกับพวกนางทาสีเมื่อถึงที่นั้นแล้วก็ได้ยืนคอยการมาของนายพรานอยู่แม้นายพรานก็ขับเกวียนออกไปแต่เช้าตรู่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 พระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นหนายปรานกุกกุตมิตรกับบุตรและสภัายเข้าไปในคายคือพระยานของพระองค์ทรงไกร่กรวนว่านั่นอะไรน้อแลทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโซดาปฏิมักของชนเหล่านั้นแล้วจึงถือบาตรและชีวร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 แต่เช้าตรู่ตัวตูบ่วงจำเดิมแต่ต้นไม่พบเนื้อแม้ตัวเดียวซึ่งติดบ่วงแต่ได้เห็นรายประบาดของพระศ า, ศาสดาแล้วทีนั้นเขาได้นำาริชนิว่าใครเที่ยวปล่อยเนื้อตัวติดบ่วงของเราเขาปูกอาคาดในพระศาสดาและเมื่อเดินไปก็พบพระศาสดา ประทับนั่งที่โคนพุ่มไม้จึงคิดว่าสมณะองค์นี้ปล่อยเนื้อของเราเราจะฆ่าสมณะนั้นเสียดังนี้แล้วเขาก็ได้โก่งตนูขึ้นพระศาสดาให้เขางโก่งตนูได้แต่ไม่ให้ยิงตานูไปได้เขาไม่อาจทั้งปล่อยลูกศรไปทั้งลดลงมีสีข้างทั้งสองปานดังจะแตก มีน้ำไหลไหลออกจากปากเป็นผู้อ่อนเปลี่ยได้ยืนนิ่งอยู่ที่นั่นแล้วครั้นนั้นพวกบุตรของเขาไปเรือนพูดกันว่าบิดาของเราล่าช้าอยู่จะมีเหตุอะไรเนาะแหละบารดาจึงส่งบุตรทั้งหลายเหล่านั้นไปโดยกําว่าพราะทั้งหลายพวกเจ้าจงไปสู่สำนักของบิดา บุตรเหล่านั้นตางก็ถือธนูไปได้เห็นบิดายือนอยู่เช่นนั้นจึงคิดว่าผู้นี้จะเป็นปัจจามิตรคือเป็นศัตรูของบิดาของพวกเราดังนี้บุตรทั้งเจ็ดคนนั้นจึงได้ก่งธนูขึ้นและได้ยืนนิ่งอยู่เหมือนกับบิดาของพวกเขายืนนิ่งอยู่นั่นแล้วเพราะอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ตอนกุกุกตมิตรเลิก อ, อาคาตในพระพุทธเจ้าลำดั บ, บนั้นมารดาของพวกเขาคิดว่าทำไมน้อแลบิดาและบุตรจึงล่าช้าอยู่เธอจึงได้ไปกับลูกสะใภ้ทั้งเจ็คนเห็นชนเหล่านั้นยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นแล้วคิดว่าชนเหล่านั้นยืนโก่งธนูต่อใครน้อแลเมื่อเธอแลไป ก็ เ, เห็นพระศาสดาเธอจึงประคองแขนทั้งสองขึ้นร้องลั่นขึ้นว่าพวกท่านอย่ายังบิดาของเราให้พินาศพวกท่านอย่ายังบิดาของเราให้พินาศนายปราณ ก, กุกุตมิตรได้ยินเสียงนั้นแล้วคิดว่าเราชิบหายแล้วหนอในยยะว่าผู้นั้นเป็นพ่อตาของเราตายจริงเราทำกำหนัก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 ขอพระองค์ทรงอดโทษแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอันงนี้แล้วน่งนะส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระาศาสดาได้ตรัสอนุบุพีกถาให้กับพวกเขาในเวลาจบเทศนานายปราณ ก, กุกุตมิตรพร้อมทั้งบุตรและสภัายมีตนเป็นที่สิบห้าตั้งอยู่ในโซดาปฏิปนแล้ว พระศัสดาเสด็จเที่ยวไปบินดาบาัดได้เสด็จไปสูวิหารภายหลังบัดลำดับนั้นพระอนุนเ์เทระจึงทูลถามพระองค์ว่าวันนี้พระองค์เสด็จไปไหนพระชก้าพระศัสดาวันนี้เราไปสํานักของกุกุตมิตรอา น, นุนข้าแตพระองค์ผู้เจริญนายพรานกุกุตมิตร พระองค์ทําให้เป็นผู้ไม่กระทํากรรมคือปาณาติบาตแล้วอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าถูกแล้วอา น, นุ์นายพรานกุกุกกตมิตรนั้นมีตนเป็นที่สิหตั้งอยู่ในสธาอันไม่กร่อนแกลนเป็นผู้หมดสงสัยในรัตนสามเป็นผู้ที่ไม่ทํากรรมคือปาณาติบาตแล้วบวกภิกษุทั้งหลาย จึงกราบตูนตามว่าก็แม้ปริยาของเขาก็มีไม่ใช่หรือพระชก้าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายนางบรรลุเป็นโสดาปฏิพลตั้งแต่ตอนเป็นกุมาริกาในเรือนของผู้มีตระกูลนั่นเดียวตอนพระโสดาบันไม่ทำบาปพวกภิกษุสนธนากันว่าได้ยินว่า ปรยาของนายพรานกุกุตมิตรบรรลุโสดาปฏิผลในการที่ยังเป็นเด็กหญิงนั่นแหลแล้วไปสู่เรือนของนายพรานนั้นได้บุตรเจ็ดคนนางอันสามีสั่งตลอดการเท่านี้ว่าหล่อนจงนำธนูมานำลูกสอนมานำหอกมานำหลาวมานำขายมาเธอก็ได้ให้สิ่งเหล่านั้นแล้ว นายปราณนั้นถือเครื่องประหารที่นางให้ไปทําปานาติบาตก็แม้พระโสดาบันทั้งหลายยังทําปาณาติบาตอยู่อย่นั้นหรือในที่นั้นพระศ า, าสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามบะภิกษุทั้งหลายบัด น, นี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้น กราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระโสดาบันย่อมไม่ทําปานาติบาตแต่นางได้ทําอย่างนั้นด้วยคิดว่าเราจะทําตามคําสามีจิตของนางไม่มีเลยว่าสามีนั้นจงถือเอาเครื่องประหารนี้ไปทําปานาติบาตจึงอยู่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 จึงตรัสพระคาถานี้ว่าถ้าแผลไม่พึงมีในฝ่ามือใส้บุคคลพึงนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้เพราะยาพิษย่อมไม่ซึมเข้าสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลฉันใดบาปย่อมไม่มีแกผู้ไม่ทำอยู่ฉะนั้นบาลีว่าปานิมหิเจวะโนนาสะ หารยะปาณินาวิสังนาพานังวิสมะเนวตินัถิปาปังอากูปโตในบราคาเหล่านั้นคำว่านาสะได้แก่ไม่พึงมีคำว่าหาเรยะแปลว่าพึงนำไปหมายความว่าสามารถนำไปได้ธมราะพระเหตุไรแก่ว่า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 บาย่อมไม่ติดตามจิตของบุคคลนั้นเหมือนยาพิษไม่ซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผละฉะนั้นดังนี้แหละในการจบเทสนาจนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสนาปฏิผลเป็นต้นแล้วตอนบรุรพกรรมของกุกุตมิตรพร้อมด้วยบุตรและสบาย โดยสมัยอื่นพวกภิกษุสนทนากันว่าอะไรหนอแลเป็นหนูปนิสัยแห่งโซดาปฏิมากร ข, ของนายพรานกุกุตมิตรทั้งบุตรและสภัยนายพรานกุกุตมิตรนี้เกิดในตระกูลของนายพรานเนื้อเพราะเหตุไรเมื่อพระศาสดาเสด็จมาแล้วราถามว่าภิกษุทั้งหลาย บัด น, นี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนาเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเรื่องชื่อนี้เนีนี้แล้วพระองค์จึงได้ตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายในอดีตการมูชนจัดสร้างเจดีย์บรรจุพระาธาตุของพระกัสปะทศพลกล่าวกันอย่างนี้ว่าอะไรหนาจะเป็นดินเหนียว อะไรหนอจะเป็นน้ำประสานแห่งเจดีนี้ในที่นั้นพวกเขาได้มีปริวิตกดังนี้ว่าหรัรดานและมโนศิลาดานจะเป็นดินเหนียวน้ำมันงาจะเป็นน้ำประสานพวกเขาจึงตำหรัรดานและมโนศิลาแล้วผสมกับน้ำมันงาก็ด้วยอิด ปิดด้วยทองคำแล้วเขียนลวดลายข้างในแต่ที่มุกภายนอกมีอิดเป็นทองทั้งแท่งทีเดียวอิดแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งได้มีค่าแสนหนึ่งพวกเขาเมื่อเจดีสําเร็จแล้วจนถึงการจับรรจุพระธาตุคิดกันว่าก็นในการบรรจุพระธาตุต้องการทรัพย์มากพวกเราจะทําใครน้อแล ให้เป็นหัวหน้าในขณะนั้นเศรษฐีบ้านนอกคนหนึ่งจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าจะเป็นหัวหน้าเขาได้ใส่เงินหนึ่งโกดในที่บรรจุประทาดเจ้าแว่นแวรนเห็นกิริยานั้นจึงโพรตนาขึ้นว่าเศรษฐีในเมืองกรุงนี้ย่อมรวบรวมรัพย์วไว้ถ่ายเดียวไม่อาจเป็นหัวหน้าในเจดีเห็นป่า น, นี้ได้ ส่วนเศรษฐีบ้านนอกนี้ใส่ทรับหนึ่งโกดคงเป็นหัวหน้าแน่แนี้เศรษฐีในกรุงนั้นได้ยินถ้อยคำของชนเหล่านั้นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าเราจะให้รับสองโกดแล้วเป็นหัวหน้าเขาก็ได้ให้รับสองโกดแล้วเศรษฐีบ้านนอกนั้นคิดว่าเราจะเป็นหัวหน้าให้ได้ จึงได้ให้ซัพย์3โกดรั้นเศรษฐีทั้งสองเพิ่มทรัพย์กันด้วยอาการอย่างนี้เศรษฐีในกรุงได้ให้ทรัพย์8โกดแล้วส่วนเศรษฐีบ้านนอกในเรือนมีทรัพย์9โกดเท่านั้นเศรษฐีในกรุงมีทรัพย์40โกดประชันั้นเศรษฐีบ้านนอกจึงคิดว่าก็ถ้าเราให้ทรัพย์9โกดไซ เศรษฐีผู้นั้นก็จะกล่าวว่าจะให้รับ10บกดเพื่อเป็นเช่นนั้นความหมดทรับของเราจะปรากฏเศรษฐีบ้านนอกจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าฉันจะให้ทรับประมาณเท่านี้และเราทั้งลูกและเมียจะเป็นท่าตของเจรีดังนี้แล้วพาบุตรทั้ง7คนสบัยทั้งเจคนและภรรยามอบแก่เศดีพร้อมกับตน การแว่นแก้นทำเศรษฐีบ้านนอกนั้นให้เป็นหัวหน้าด้วยกล่าวว่าชื่อว่าซับไกลๆก็อาจทําให้เกิดขึ้นได้แต่เศรษฐีบ้านนอกนี้พร้อมทั้งบุญและประยามอบตัวเฉพาะเจดีเศรษฐีนี่แหละจงเป็นหัวหน้าจนทั้งสิบหคนนั้นได้เป็นทาสของเจดีด้วยประการชนี แต่ชาวแว่นแกนได้ทําให้เขาเป็นอิสระแต่แม้เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ปฏิบัติเจดีนั่นแหละน้ำลงอยู่ตลอดอายุจุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลกก็เมื่อชนเหล่านั้นอยู่ในเทวโลกตลอดหนึ่งพุทธันดอนในพุทธุปปบาทการนี้ภรรยาจุติจากเทวโลกนั้น บังเกิดเป็นที่ดาเสตีในกรุงราชกฤกตอนคติของผู้ไม่เห็นสัจจะไม่แน่นอนก็เมื่อนางยังเป็นเด็กทีเดียวได้บรรลุโสดาปติผลแล้วก็ชื่อว่าปฏิสนธิของสัตว์ผู้ยังไม่เห็นสัจจะเป็นภาระหนักเพราะฉะนั้นสามีของนางจึงเวียนกลับ ไปเกิดในสกุลปราณเนื้อแต่เพราะความเสน่หาในการกรได้คราบงามที่ดาของเศรษฐีพร้อมกับการเห็นนายปราณกุกุตมิตรนั้นแหละจริงอยู่แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสคำนี้ว่าความรักนั้นย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการอย่างนี้คือเพราะการอยู่ร่วมกันในการกรหนึ่ง และเพราะการเกื่อกูในปัจจุบันหนึ่งรุดดอกบัวเกิดในน้ำเพราะอาศัยเปลือกตมและน้ำฉะนั้นธิดาของเศรษฐีนั้นได้ไปสู่ตระกูลของปราณเนื้อเพราะความเสนยาในปางกรแม้พวกบุตรของนางก็จุติจากเทวโลกถือปฏิสนธิในท้องของนางนั่นแหละแม้เหล่าสบายของนาง บางเกิดในที่นั้นๆเจรินไปแล้วได้ไปสู่เรืองของชนเหล่านั้นนั่นแหละชนเหล่านั้นทั้งหมดปฏิบัติใจดีในการนั้นด้วยประการจนนี้แล้วจึงได้บรรลุโสดาปิตพลด้วยอนุภาพแห่งกรรมนั้นดังนี้แหละเรื่องนายพราน ก, กุกุตมิตรจบเรื่องของนายพราน ก, กุกุตมิตรนี้ เราจะสังเกตได้ว่าคนเราเนี่ยมั น, มนไม่แน่ไม่นอนแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้บรรลุทำขั้นใดๆหมายความว่ายัางมีอบัยพุมยังเปิดอยู่เนี่ยขณะว่าโอ้เป็นเท ว, วดาอย่างดีแต่ว่าก็กลับมาเป็นลูกของคนข่าเนื้อแต่ซึ่งอาชีพนี้ในสมัยพุทธกาลเป็นอาชีพที่ไม่ใช่เป็นอาชีพของคนชั้นสูงแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการค้าขายแบบอื่นนั้นจะเป็นลนักษณะ อาชีพที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามาการปฏิบัติธรรมหรือว่าการที่จะรักษาความดีความงามแต่ไม่ได้เลือกที่อาชีพไหนคุณจะอาชีพใดใดแตนน่มาฟังตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งธรรมบังฑ์เป็นเรื่องในลักษณะเดียวกันนี่แหละเป็นเรื่องของอุบาสกท่านหนึ่งที่ว่าไม่ได้ทําความชั่วเอาไว้ก็เลยไม่ได้ต้องรับผลของกรรมนี่ก็เป็นเรื่องในลักษณะเดียวกัน เป็นเรื่องของอุบาสกที่ชื่อว่ามหาการเขาไม่ได้ทำความชั่วไว้มีคนจะมาใส่ร้ายเขาแต่เขาก็รอดมาได้เรื่องของอุบาสกที่ชื่อมหาการได้ยินว่ามหาการนั้นเป็นผู้รักษาอุโบสถ8ปดวันต่อเดือนคือเดือนละแปดวันสังต ร, รมมกะตาตลอดคืนยันรุ่งในวิหาร กลังนั้นพวกโจรตัดที่ต่อในเรือนหลังหนึ่งในเวลากลางคืนถือเอาห่อสิ่งของไปถูกพวกเจ้าของตื่นขึ้นพระเสียงภาชนะโลหะกระทบกันเจ้าของจึงติดตามไปแล้วโจรเหล่านั้นจึงทิ้งของที่ตนถือไว้แล้วก็หลบหนีไปฝ่ายพวกเจ้าของ ติดตามโจรเหล่านั้นเรื่อยไปพวกโจรเหล่านั้นกระชัดกระจายหนีกันไปทั่วทิศวนโจรคนหนึ่งถือเอาทางที่ไปยังวิหารได้เห็นนายมหาการผู้ฟังธรรมกถาตลอดคืนยันรุ่งกำลังล้างหน้าอยู่ที่ริมสะโบกกรณีแต่เช้าตรู่โจรคนนั้นจึงวางห่อสิ่งของ เอาไว้ข้างหน้านายมหาการนั้นแล้วก็หลบหนีไปพวกมนุษย์ทั้งหลายติดตามหมู่โจรมาได้พบห่อสิ่งของแล้วจึงจับนายมหาการนั้นไว้ด้วยกล่าวว่าแกตัดที่ต่อในเรือนของพวกฉันลักห่อสิ่งของออกมาแล้วเที่ยวเดินเหมือนฟังทําอยู่จึงได้ทุบให้ตายในที่นั้น แล้วก็ทิ้งไว้เลยไปครั้งนั้นพิกสุตรนุ่มและสามเณรทั้งหลายถือหม้อน้ำดื่มไปแต่เช้าตรู่พบนายมหาการนั้นก็กล่าวว่าอุบาสกฟังธรรมคถาอยู่ในวิหารได้มรณะไม่สมควรเลยนังนี้แล้วจึงได้กราบทูลแก่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่า อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายนายมหาการนี้ได้บรณะไม่สมควรในอัตตภาพนี้แต่เขาได้บรณะสมควรแก่กรรมที่ทำไว้แล้วในการก่อนนั่นแหละพระศาสดาอันภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่านั้นทูลอารัตนาแล้วจึงตรัสบรุรพกรรมของนายมหาการนั้นว่าดังได้สดับมา ในอดีตการพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งปัจจันตะคามแห่งหนึ่งคือหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมเขตแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้า พ, พรนาันศีพระราชาทรงตั้งราชพัฒคือข้าราชการคนหนึ่งไว้ที่ปากดงราชพัฒนั้นรับค่าจ้างแล้วก็นำคนไปจากฝากข้างนี้ สู่ฟากข้างโ น, น้นนาคนจากฝากข้างโน้นมาสู่ฝากข้างนี้ต่อมามนุษย์คนหนึ่งพาภรยารูปสวยของตนขึ้นสู่ยานน้อยแล้วได้ไปถึงที่นั้นราชพัฒพ่อเห็นหญิงนั้นก็เกิดสีในหาเมื่อมนุษย์นั้นแม้กล่าวว่านาย ขอท่านจงช่วยกระผมทั้งสองให้ผ่านพ้นดงเถิดก็ตอบว่าบัด น, นี้ค้ามืดเสียแล้วเช้าตรูเ่เถอะเราจะช่วยให้ท่านพ้นไปมนุษย์ปุณณ์นนายยังมีเวลาขอโปรโดนำกระผมทั้งสองไปเดี๋ยวนี้เถอะราชบัตรกล่าวเถอดท่านผู้เจริญอาหารและที่พักอาศัยจะมีในเรือนของเราทีเดียวมนุษย์นั้น ไม่ปรารถนากลับเลยฝ่ายราชพัชนั้นจึงให้สัญญาณแก่พวกบรุษยังยานน้อยให้กลับแล้วให้ที่พักอาศัยที่ซุมประตูให้ตระเตรียมอาหารแก่เขาผู้ไม่ปรารถนาเลยก็ในเรือนราชพัชนั้นมีแก้วมณีดวงหนึ่งเขาให้เอาแก้วมณีนั้นซ่อนไว้ในซอกแห่งยานน้อยของมนุษย์ พู้นั้นแล้วในเวลาจวนรุ่งให้ทำเสียงเป็นพวกโจรเข้าไปในบ้านลำดับนั้นพวกบุรุษแจ้งแก่ขาว่านายแกมณีถูกพวกโจรลักเอาไปแล้วไรราชบัตรจึงสั่งว่าพวกเจ้าจงตั้งกองรักษาไว้ที่ประตูบ้านทั้งหลายตรวจคนคนผู้ออกไปจากภายในบ้าน ฝายมนุษย์นอกนี้จัดยาห น, น้อยเสร็จแล้วก็ขับไปแต่เช้าตรู่ที่นั้นพวกคนใช่ของราชบัตรจึงค้นยาห น, น้อยของมนุษย์นั้นพบแก้วมณีที่ตนซ่อนไว้จึงขู่พูดว่าเจ้าลักเอาแก้วมณีนี้ไปดังนี้แล้วก็บบยแสดงแก่นายบ้านว่านายพวกผมจับตัวได้แล้ว นายราชพัฏจึงพูดขึ้นว่าตัวเราเป็นถึงนายราชพัฏให้พักอาศัยในเรือนให้อาหารแล้วมันยังลักแก้มนีไปได้พวกเจ้าจงจับไอ้บุรุษชั่วช้านี้ น, นี้แล้วให้ช่วยกันทุบต่ายแล้วให้ทิ้งเสียนี่เป็นบุรุษกรรมของนายมห า, าการนั้นราชพัฏนั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้ว เกิดในอเวจี G. ไม่อยู่ในอเวจี G. นั้นสิ้นกาลนานถูกทุกถึงความตายอย่างนั้นแหละในร้อยอัตภาพเพราะวิบากที่ยังเหลืออยู่พระศาสดาครั้นทรงแสดงบรุรพกรรมของมหาการอย่างนั้นแล้วตรัสว่าพิสุตร้ตงหลายบาปกรรมอันตนทำไว้นั่นแหละ ย่อมย่อมยีสัตว์เหล่านี้ในอบายสี่อย่างนี้ดัง น, นี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอตตะนาวะกะตังป่าปังอตตะชังอตตะสัมภวังอภิมัตติทุมเมทังวชิรังวัมหยังมนิงแปลว่าบาปอันตนทำไว้เองเกิดในตน มีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุดเพชรย่ำยีแก้มณีอันเกิดแต่หินฉะนั้นในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าวชิรังวามหายังมะณิงแปลว่าดุดเพชรย่ำยีแก้มณีอันเกิดแต่หินหมายกว่าว่าเปรียมดังเพชร ย่ำยีแก้มณีที่เกิดแต่หินท่านอธิบายคำนี้ไว้ว่าเพชรอันสำเร็จจากหินมีหินเป็นแดนเกิดกัดแก้มณีที่เกิดแต่หินคือแก้มณีอันสำเร็จแต่หินซึ่งนับว่าเป็นที่ตั้งขึ้นของตนนั้นนั่นแหละคือทำให้เป็นช่องน้อยช่องใหญ่ทำให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ทำให้ใช้ใส่ไม่ได้ฉันใดบาปอันตนทำไปแล้วเกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิด ย, ย่อมย่อมยีคือกจัดบุคคลผู้มีปัญญาสามคือผู้ไร้ปัญญาในอบายทั้งสี่ฉันนั้นเหมือนกันในการจบเทศนาพิษุที่มาประชุมบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้น ดังนี้แหละเรื่องอุบาสกชื่อมหาการ